2. ประวัติวาน 2. นิโรธวาน1ปัจจุบันนาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล 8.8 อนุโลมปุจฉาทุกษัตริย์ของบุคคลใดกําลังดับสมุทัยสัตว์ของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคะขณะ แห่งกิจที่วิปยุตจากตันหาในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่สมุทัยสัตย์ไม่ใช่กําลังดับในพังคฆะณะแห่งตันหาทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและสมุทัยสัตย์ก็กําลังดับปฏิโดมปุชชาสมุทัยสัตย์ของบุคคลใดกําลังดับทุกขจัตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชฉนาใช่อนุโลมปุชชา ทุกขจัตของบุคคลใดกําลังดับมัคขจัตของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมัคในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่มัคขจัตไม่ใช่กําลังดับในพังคขนาดแห่งมัคในปัญจโกราภภูมิทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและมัคขจัตก็กําลังดับ ปฏิโดมปุชชามักขัดของบุคคลใดกําลังดับทุกขัตดของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมพิจาชนาในพังคขณะแห่งมักในอรูปประภูมิมักขัดของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่ทุกขัตดไม่ใช่กําลังดับในพังคขณะแห่งมักในปัญจโวการภูมิมักขัดของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับและทุกขัตดก็กําลังดับแปดสิบเก้า อนุโลมปุจฉาสมุทรยศของบุคคลใดกำลังดับมรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉามรคสัตย์ของบุคคลใดกำลังดับสมุทรยศของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมโอกาส90อนุโลมปุจฉาทุกขศัตย์ในภูมิใดกำลังดับ สมุทรยศัสตร์ในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจชะนาในอาจา ร, รยาศาสตร์ภูมิในภูมินั้นทุกศาสตร์กําลังดับและในมุงเล็บคําที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทั้งในอุปาทวานนิโรธวานและอุปท า, านิโรธวานไม่มีข้อแตกต่างกันอนุโลมปุกคาโรกาศเกอนุโลมปุจชา ทุกขจตของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับละในมืและพึงขยายคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดซึ่งเหมือนกันให้พิศดารปัจจานีกับบุคคล92อนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสมุทยัยจัตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทยัยจัตของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ ทุกขะตัดของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิจารณาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังฆะขณะแห่งจิตที่วิปรยุทธจากตัญหาในประวัติการสมุทยัยสัตย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ทุกขะตัดมีใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการและในพังฆะขณะแห่งมรรคและผลในอรูปประภูมิ สมุทยัตยตัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและทุกขสั์ก็ไม่ใช่กําลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขสัต์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมรรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิจัชนาในพังคขณะแห่งมรรคในอรูปปภูมิทุกขสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรรคสัจมีใช่ไหมกําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัตในอุปาทขณะแห่งจิตในประวัติการ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 มัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่ทุกขสัตต์มีใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัตในอุปาทัคณะแห่งจิตในประวัติการและในพังขัคณะแห่งผลในรูปประภูมิมัคคสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและทุกขสัตต์ก็ไม่ใช่กำลังดับเก้าสิบสามอนุโลมปุจ ช, ชา สมุทธิยสัจของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับมรคสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมพิจัชนาในพังคะขณะแห่งมรคสมุทธิยสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่มรคสัจมิใช่ไม่กําลังดับในอุปาทัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดและในพังคะขณะแห่แงจิตที่วิปยุจจากตันหาและวิปยุจจากมรคบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในสัญญาสัจตภูมิ สมุธยาตัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและมรรคสัจก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโลมปุจฉามรรคสัจของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสมุธยาตัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิทีชนาในพังคขณะแห่งตัณหามรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่สมุทธยาสัจมีใช่ไหมกําลังดับในอุปาขั้นขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ไดในพังคขณะแห่งกิตที่วิปปยุตจากมรรคและที่วิปปยุตจากตันหาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัตต ภ, ภูมิมรรคสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กลังดับและสมุทัยสัต์ก็ไม่ใช่กลังดับปัจจนิกโอกาส94อนุลมปุจชาทุกขสัจในภูมิใดไม่ใช่กลังดับละปัจจีนิกปุคโรกาต95 อนุโลมปุจฉาทุกกตัดของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละในมงเล็บข้อที่ท่านกำหนดว่าบุคของบุคคลใดก็ดีในภูมิใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดีเหมือนกันแต่ในข้อที่ท่านกำหนดว่าของบุคคลใดในภูมิใดไม่พึงเพิ่มคำว่าบุคคลผู้เข้านี้โปรดทศมาบัติ 2. อ, อตีตะวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีต อนุโลมบุคคล96อนุโลมปุจ ช, ชาทุกกัรตั์ของบุคคลใดเคยดับสมุทยัยตั์ของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจาชนาใช่ในบุงเล็บตีตับปุชชาในอุปาทวารทั้งอนุโลมและปัจจนีกะท่านจำแนกไว้แล้วฉันใดแม้ในนิโรธวานก็พึงจำแนกฉันนั้นไม่มีข้อแตกต่างกันสอนาคตวาน ว่าด้วยจะพาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 97. อนุโลมปุจรฉาทุกขจัตของบุคคลใดจักดับสมุทยจัตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตตมักกระหันตะบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตมักในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทขคณะแห่งจิตนั้นทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับ แต่สมุทัยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ทุกขสัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทัยสัตว์ก็จักดับปฏิโดมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดจักดับและวิจัชนาะใช่อนุโลมปุจฉาทุกขสัตริย์ของบุคคลใดจักดับมรรคสัตริย์ของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาะในพังค์ข้านาแห่งอรหัตตมรักอรหันตบุคคล และบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มรรคทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรคจัตไม่ใช่จักดับในอุปาทขคณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจักได้อรหัตมรรคในลำดับแห่งจิตใจในเว็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลเหล่าอื่นผู้จักได้มรรคทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับได้มรรคจัตก็จักดับปฏิโรูปุจฉา มรรคสัจของบุคคลใดจักดับละวิจัดชนาใช่98อนุโลมปุจฉาสมุที่ยศสัจของบุคคลใดจักดับมรรคสัจของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นปูถุชนทึ่งจักไม่ได้มรรคสมุที่ยศสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มรรคสัจไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มรรคสมุดทียศสัจของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมรรคสัจก็จักดับ ปฏิโลมปุจฉามัคคสัตของบุคคลใดจักดับสมุทัยสัตตของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขคณาแห่งอรหัตตมัคบุคคลจักได้อรหัตตมัคในลำดับแห่งจิตใจในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สมุทัยสัตตไม่ใช่จักดับบุคคลผู้จักได้มัคมัคคสัตของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสมุทัยสัตก็จักดับ อนุลมโอกาส99อนุลมปุชชาทุกขจัตในภูมิใดจักดับละอนุลมปุคโลกาต100อนุลมปุชชาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสมุทัยจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยรหัตมักกระหัตตะบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมักในลำดับแห่งจิตใด ในมุงเล็บในลำดับเพีงจิตนั้นและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกขจัตรย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้บัตรอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิทุกขจัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสมุทยสัตว์ก็จักดับละในมุงเล็บข้อที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกัน ปัจณีกับบุคคลหนึออนุโลมปุจฉาทุกกระตัดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุที่กรตัดของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุดที่กระตัดของบุคคลใดไม่ใช่จักดับทุกกระตัดของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตตมรักษ์อรหันตบุคคลแต่บุคคลจกได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใด ในเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นสมุที่ยศตั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับแต่ทุกข์จั์ไม่ใช่จากไม่ดับในพังคาขณะแห่งปัจฉิ ม, มจิตสมุที่ยศตั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากดับและทุกข์จั์ก็ไม่ใช่จากดับอนุโลมปุจฉาทุกข์จั์ของบุคคลใดไม่ใช่จากดับมรรคจัดของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจา um. ชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคจัดของบุคคลใดไม่ใช่จากดับ ทุกขัสัจของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังคข้าณาแห่งอรหัตตะมกักอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนจึงจักไม่ได้มักมกักขัสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขัสัจมิใช่จักไม่ดับในพังคข้าณาแห่งปัจฉิมจิตมักขัสัจของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและทุกขัสัจก็ไม่ใช่จักดับหนึอ อ, อนุโลมปุจฉา สมุทย baptism, response, ัยสัตว์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับมรคสัตย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขคณะแห่งอรหัตตะมักบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในอเลับในลำดับแห่งจิตนั้นสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่มรคสัตย์มีใช่จักไม่ดับในพังคขัคณะแห่งอรหัตตะมักอรหันตบุคคล สมุธยสัต์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและมักสั์ก็ไม่ใช่จักดับปฏิโลมปุจฉามักสั์ของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสมุธยสัต์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมพิจัดชนาบุคคลผู้เป็นปุตุชนตึงจักไม่ได้มักมักสั์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่สมุธยสัตจมิใช่จักไม่ดับในพังขณาแห่งอรหัตมักอรหันตับุคคล มรรคสัจของบุคคลเล่านั้นไม่ใช่จักดับและสมุทยาสัจก็ไม่ใช่จักดับปัจจณีกับโอกาสหนึอนุโลมปุจฉาทุกขสัจในภูมิใดไม่ใช่จักดับและปัจจณีกับปุขคะโอกาสหนึอนุโลมปุจฉาทุกขสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสมุทยตสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับทุกขสั์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตตะมักอรหันตะบุคคลบุคคลจักได้อรหัตตะมักในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้นและบุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญญาสัจตธธภูมิสมุทัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ แต่ทุกขจัตมิใช่จากไม่ดับในพังคาคณะแห่งปัติฉิมจิตสมุทัยจัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่ทุกขจัตก็ไม่ใช่จากดับอนุโลมปุจฉาทุกขจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับมรรคจัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหมวิจัรณาใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคจัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับ ทุกขัสัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาะในพังข้าขณาแห่งอรหัตตะมักอรหันตบุคคลบุคคลผู้เป็นปุถุชนถึงจักไม่ได้มักบุคคลผู้บัจอู่ในอบายภู ม, มิและอสัญญาตตภูมิมักัสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ทุกขัสัตมีใช่จักไม่ดับในพังขขณาแห่งปัจฉิมจิตมักัสัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ และทุกขษัตริย์ก็ไม่ใช่จักดับ105อนุโลมปุจฉาสมุทยัยสัจของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมรรคสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทขคณะแห่งอรหัตตมรรคบุคคลจกได้อรหัตตมรรคในลำดับแห่งจิตใดในวงเล็บในลำดับแห่งจิตนั้น สมุทยัยสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับแต่มรรสัดไม่ใช่จากไม่ดับในพังข้าณาแห่งอรหัตตะมักอรหันตะบุคคลและบุคคลผู้บัตรอยู่ในอสัญญัตตะภูมิสมุทัยสัจของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากดับและมรรสั์ก็ไม่ใช่จากดับปฏิรลมปุจฉามรรสั์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากดับสมุทัยสัจของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากดับใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลผู้บัตอยู่ในอบายภูมิและบุคคลผู้เป็นปุถุชนทึ่งจักไม่ได้มักมัคคัจจศของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่ตมุทยิัตว์มิใช่ จ, จักไม่ดับในพังฆาขณะแห่งอรหัตตมัคอรหันตบุคคลและบุคคลผู้บัติยู่ในอาจาญย์ัตตภูมิมัคคัจจศของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและตมุทยิัตว์ก็ไม่ใช่จักดับ สปัจจุปันนาตีตะวาลว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล106 อ, อนุโลมปุจฉาทุกกระกตัดของบุคคลใดกําลังดับสมุทะยัดตัของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิตัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทะยัดตัของบุคคลใดเคยดับทุกกระตัดของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิตัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติ ในอุปาทขณาแห่งจิตในประวัติการและในพังคขณะแห่งมรรคและผลในอรูปปภูมิสมุทัยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ทุกขจัรร์ไม่ใช่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคธณะแห่งจิตในประวัติการสมุทัยจัต์ของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและทุกขจั์ก็กําลังดับอนุโลมปุจฉาทุกขจั์ของบุคคลใดกําลังดับ มักกะจัตของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจ AH ัชนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังข้ณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มักกะจัตไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังข้ณะแห่งจิตในประวัติการทุกขจัตของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมักกะจัตก็เคยดับปฏิโลมปุจฉา มัคคสัจของบุคคลใดเคยดับทุกขสัจของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้ใด้บรรลุซึ่งกำลังอุบัติในอุปาทาขณาหแห่งจิตในประวัติการและในพังคะขณะแห่งมักและผลในรูปประภูมิมัคคสัจของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่ทุกขสัจไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้ได้บรรลุซึ่งกำลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการมรัคคสัจของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและทุกขสัจก็กำลังดับ หนึอนุรลมปุจฉาสมุดธยาจัดของบุคคลใดกําลังดับมักจัดของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิจารนาบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุในพังขาคณาแห่งตันหาสมุดธยาตัดของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่มักจัดไม่เคยดับบุคคลผู้ได้บรรลุในพังขคณะแห่งตันหาสมุดธยาตัดของบุคคลเหล่านั้นกําลังดับแต่มักจัดก็เคยดับปฏิโลมปุจฉา มรรคตัดของบุคคลใดเคยดับสมุทัยยะตัดของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิจารนาะบุคคลผู้ใดบรรลุในอุปาทัศขณะแห่งตัณหาเมื่อจิตที่วิปยุตจากตัณหาเป็นไปอยู่บุคคลผู้เข้านิโรธสรมาบัตดมรรคตัดของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สมุทัยยะตัดไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้ใดบรรลุในพังคขณะแห่งตัณหามรรคตัดของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสมุทัยยะตัดก็กาํกาลังดับ